พระธรรมเทศนาแผ่นที่111ดลำดับที่8โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่6มีนาคม2560มีชื่อเรื่องว่าหลวงตาพาเดินลูกหลานอยู่ในความสงบ วันนี้เป็นวันจันทร์ที่หมีนาคมพุทธศักราช 2,560 วันนี้ขึ้น9ขึ้นเกาคัแล้วนะลูกหลานนะเดือนสี่ขึ้นเกาคัแล้วเมื่อวาน8คัเย็นเมื่อวานเนะี่ยพวกเราก็ไหว้พระสมาทานศีลฟังเทศตอนเย็นแต่ เดือนนี้เป็นเดือนที่จะต้องได้คิดนะลูกหลานกนัทธา ญ, ญาติโยมเพราะพวกเราจะได้ทำบุญลำาลึกถึงคุณแม่ชีแก้วเสียงล้ําปีนี้ตกวันที่26มีนาคมพุทธศักราช2560พวกเราก็คงจะได้ไปเตรียมการเตรียมงานตั้งแต่วันที่25้ในคิดคิดไว้นะพวกเราจะทำอะไรปีนี้ ก็จะทำแบบเรียบง่ายนั่นะจะไม่ทำให้ยุ่งเหยิงวุ่นวาย ต, ตอนจัดนั้นก็มอบให้ทางนู้นะพี่น้องศรัทธาญาติโยมลูกหลานเพราะเราก็เพียงแต่พี่เป็นผู้สนัสนบสนุนเสริมเข้าไปขาดเหลือขาดตกที่ตรงไหนพราะเราเคยจัดมาหลายปีแล้วก็เป็นหน้าที่ของพี่น้องประชาชนในท้องถิ่นเขาเอาให้ความสำคัญมากน้อยแค่ไหน ถ้าหากว่าเราต่างถิ่นต่างแดนถึงจะให้ความสำคัญแต่ปล่อยเขาเขาไม่ได้ทำเราก็ทำไปแบบง่ายๆเราก็ไม่ยากอีกเหมือนกันอพอไปถึงแล้วก็จัดขึ้นมาแล้วก็ลำเลอกถึงคุณแม่เนอะคุณแม่มีพระคุณสำหรับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับหลวงพ่อเองหลวงพ่อเหมือนกับเป็นโยมแม่ท่านหนึ่งพี่น้องประชาชนทุกหมู่เราจะให้ความสำคัญอย่างไงก็อยู่ในจิตใจของแต่ละคนอีกเหมือนกันแต่หลวงพ่อก็ให้ความสำคัญก็อยู่ในจิตใจของหลวงพ่ออีกเหมือนกันเพราะนั้นหลวงพ่อจึงให้ความสำคัญทุกปีที่ผ่านมา หลวงพ่อไปได้หลวงพ่อก็จะไปเว้นเสียแต่ช่วงนั้นเจ็บไข้ได้ป่วยหรือไม่สบายหรือมีอุปสรรคสำคัญหรือว่าเนื้อกว่าจำเป็นกว่าหลวงพ่อจึงจะขอยกขอยอมแพ้โภยใดพ่ อ, อ, รพอเราก็ใช้ถาดใช้ขันร่างกายไปออทำ งานใน ช, ช่วงนั้นจุดนั้นเพราะนั้นให้พวกเราคิดไว้นะอีกไม่นานวันนี้ก็เป็นวันที่หกแล้วแลวก็วันที่ยี่สิบหก็คงเป็นเพียงยี่สิบวันลำลึกถึงประคุณของท่านแต่ดวงวิญญาณของท่านท่านตามแนวแถวขององค์หลวงตาที่ท่านได้พูดได้กล่าวเอาไว้ หลวงตาก็พูดชัดเจนตลวงตามหาบัวผู้ผู้ท่าแม่ชีแก้วเป็นอย่างไรเราเป็นอย่างนั้นเราเป็นอย่างไรคุณผู้ท้าแม่ชีแก้วเป็นอย่างนั้นทางด้านจิตใจถ้าเราเชื่อในองค์หลวงตาในคุณธรรมของหลวงตาเราก็ต้องเชื่อในคุณธรรมของคุณแม่เพราะนั้นถ้าว่าพวกเราจะทาให หรือไม่ทำให้ลำเลิกถึงไม่ลำเลิกถึงคุณแม่ก็ <c oughs> เป็นจัตเตนดาศมาตรฐานของท่านอยู่แล้วมีแต่พวกเราเท่านั้นและลำเลิกถึงกับเป็นบุญเป็นคุณเป็นบุญกุศลเข้าสู่จิตใจของพวกเราพวกเราลำเลิกถึงผู้มีอุปกระคุณเป็นผู้มีพระคุณเป็นผู้มีคุ ณ, ณธรรมในจิตใจอันนี้ก็เป็นหน้าที่ ของลูกของหลานถ้าเราไม่คิดไม่ทำเฉยก็จุดช่วยรวยแหลมไปเรื่อยๆไม่มีการเป่าประกาศเกียรติศัพท์เกียร ต, ติคุณของขององค์ท่านอย่างองค์หลวงตาก็เหมือนกันถ้าเราให้ความสาคัญลูกหลานให้ความสาคัญกิติศัพท์ของหลวงตาก็ยืดยาวนานนานเท่านานลูกหลานได้ฟังได้ศึกษาก็เป็นประโยชน์ แต่ถทางควาพวกเราไม่ให้ความสําคัญสุดช่วยรวยแหลมไปเรื่อยๆมีแต่อถ้าพูดถึงหลวงตาเลยอย่าพูดอย่าพูดอย่าพูดเอใครจะพูดถึงหลวงตาอย่าพูดอย่าพูดอย่าพูดถ้าเป็นอย่างนั้นเข้ามากับกิศัพท์ของหลวงตาก็คงจะหมดไปโดยเร็ววันะแต่ถ้าว่ามผู้ใดอ้าวหลวงตามีคุณธ คุณธรรมนะช่วยเหลือประเทศชาติบ้านเมืองนะหลวงตาแนะนำสั่งสอนพวกเราอย่างไรสิทธิ์ญาณุสิทธิท์ทางหลายมันอยู่ในจิตใจของใครของเร า, เาท่านแนะนำสั่งสอนอย่างไรในศีลธรรมของท่านท่านเรื่องกฎระเบียบท่านสอนอย่างไงพระเดนทุกองที่เขาไปศึกษากับท่าน เรื่องคุณธรรมในจิตใจเรื่องศีลสมาธิปัญญาหลวงตาสอนอยังไงให้ท่านแต่ละคนใครจะรับได้รับมากน้อยแค่ไหนในเมื่อเรารับได้แค่ไหนเราก็ต้องรับได้แค่นั้นเราพิจิตรจะไปก้าวไกลจะไปดูถูกเกยียรติยมคนอื่นเขาไม่ได้เขาเอาจจะเหนือกว่าเราเราเอาจจะเหนือกว่าเขา ไม่มีใครที่จะรู้ยิ่งกว่าตัวของเราแต่ละท่านแต่ละองค์เองนี่แหละอันนี้ก็คือเป็นหน้าที่ของพวกเราอันนี้ก็คือปฏิบัติทางด้านจิตใจส่วนอารมิตพวกเราก็ต้องเชิดชูบูชาอพระคุณของหลวงตาทําคุณูปการให้กับข้าพเจ้ามากมายมหาศาล เ, าเนี่ยอย่างหลวงพอ่อเคยพูดนสมัยไปอยู่กับท่านอันนั้น เ, เหมือนกับพอ่อ ลูกไปอยู่กับพ่อท่านก็ปกป้องดูแลทุกอย่างข่าวน้ํำโชนาอาหารธรรมะดูด่าว่ากล่าวทุกอย่างเหมือนกับลูกไปอยู่กับพ่อแม่จะให้ยกย่องที่เดียวก็ไม่ได้จะให้ดูถูกด่าอยู่ทั้งวีทั้งวันก็คงไ ม, ไม่เป็นอย่างนั้นในเมื่อเราผิดท่านก็แนะนําบอกกล่าว ในเมื่อเราทําถูกแล้วท่านก็เฉยท่านก็มองดูอยู่มันทําถูกแล้วไม่ต้องพูดอะไรเพราะมันถูกอยู่แล้วนะแต่เมื่อมันทําผิดเอ้อย่านะอันนี้ก็คือเราอยู่กับครูบาอาจารย์ในเมื่อเราออกมาอยู่ข้างนอกมาสร้างวัดวาศาสนาอย่างนี้ออกมาท่านก็อํานวยอวาวกตามท่านก็มาเยี่ยมไม่รู้เท่าไหร่ต่เท่าไหร่มาเยี่ยมวัดเราอํานวยความสะดวกสะดวกด้วยปัจจัยสี่ อย่างพระเนนรุ่นเก่าเขาคงจะได้รู้ได้เห็นแต่รุ่นใหม่นี่ก็เถอะกลุ่นอยู่เดียวนี่ก็เห็นหลวงตา ม, มาไม่โลกกี่ครั้งตัวกี่หนมาถึงและท่านเทศนาว่าการอย่างไรแนะนําพระเนนลูกหลานอย่างไรท่านทำอักับกิริยาอย่างไรที่มาอยู่วัดเราหลังจากนั้นท่านก็จะช่วยทาวอนวัตถุกําแพงวัดนะล้อมรอบ7กิโลหกิโลกว่าเ็ดร้กว่าเมตรนะ เป็นเงินเท่าไรทางด้านวัตถุถ้าจะว่าไปแล้ววัดของเราเนะี่ยไม่ได้อวดได้อ้างได้คุยนะท่านอาจจะเห็นว่าพวกเราอยู่ห่างไกลอยู่ในที่กันดานท่านก็ช่วยพวกเราก็คงจะมีอิิเลกระลาบน้อยคงไม่มีใครมาหาสู่ท่านก็ให้สงเคราะห์อย่างที่พวกเราท่นทานทั้งหลายได้เห็นท่านยังถามอีกว่าต้องการอะไร ต้องการขุดสระน้ำไหมต้องการสระน้ำอีกไหมแหล่งน้ำมีไหมจะให้น้ำไหลไปทางไหนบอกมานะเนี่ยท่านยังถามอีกอเราก็เพียงว่าเพียงพอครับผมนั่นะท่านก็ให้ความใส่ใจสนใจทางด้านวัตถุเพราะนั้นในเมื่อองง์ลงตาจุตินิพพานไปแล้วนะ เราจะเอาอะไรอีกจากท่านทั้งด้านวัตถุเรามีแต่บูชาพระคุณขององค์หลวงตามีอะไรที่จะให้เราทุ่มบูชาพระคุณหลวงตานะวัดของเราเนี่ยแหละคำว่าห่วงคาว่าห่วงห่วงเสียดายที่จะทำกับองค์หลวงตานะวัดของเรานะไม่มีนะลูกหลานนะพอหลวงตาให้ปูพื้นฐานให้กับเรจนพอแรงแล้ว เราจะไปขี้เตนีทีเนียวกับองค์หลวงตาไม่ถูกเพราะนั้นในงานจัดงานของหลวงตาก็ดีหลวงพ่อเข้าไปทีแรกเมื่อหลวงตาจุตินิราัาณ์พวกน้องลงทางหลายท่านเขาก็ไม่เคยจัดงานมา ก, ก่อนไม่รู้จะเดินยังไงแต่เราก็เข้าไปเข้าไปกันเนี่ยนะ กับหมู่คณะรุ่นเก่าที่เป็นสมพานจากวัดต่างๆเข้ามารวมกันแล้วก็มาพูดปรึกษาปารบ ก, กันแต่ก็ไม่ใช่เราความคิดของเราคนเดียวอแต่ในหมัดของเราหมัดเย็บของเราที่จะไปช่วยงานหลงตาเนี่ยเราเตรียมไว้เต็มอัตราศึกพูดอย่างนั้นไว้เลยนะไอ้แคว่วอาลูกกระสุอที่เราเตรียมไว้นะที่จะเอาไปช่วยงานหลงตาเนี่ย พ้อมอะจะออกมาไม้ไหนเราคิดเพราะเราคิดก่อนที่วงหลวงตาจะจุดตินิพพานไปแล้วเราก็เตรียมไว้แล้วถึงยังไงต้องมีจุดนั้นวันนั้นมาถึงเราก็ได้ยินเขาแว่วๆเหมือนกันไม่ใช่ว่าท่านเงินทุกบาททุกสตังค์เราจะไม่ให้เอามาใช้ในงานศพของเราอันนี้เขาก็ถึงถึงจะไม่ได้อ่านพินัยกรรมแต่เราก็รู้ ว่าลงตาพูดอย่างนั้นให้กับผู้ที่อยู่ใกล้ที่ที่เขียนพินัยกรรมแต่เราก็นึกแล้วน่าใจแล้วถ้าเมื่อถึงจุดนั้นมาถึงนะเราจะใช้ยังไงเราจะทำยังไงเราก็ต้องได้คิดไว้อีกเหมือนกันจากนั้นเมื่อลงตาจุดที่นิพพานไปก็เป็นวันนั้นจริงๆเพราะนั้นเราจรึงได้จัด การว่าเราต้องลงขันกันพี่น้องนะแต่ถึงยังไงก็ตามแต่ในส่วนตัวของเราวัดของเราเนี่ยเราพร้อมไม่ใช่มีเพียงแค่นั้นมีพร้อมเราจะทำระดับไหนเพื่อเชิดชูบูบชาพระคุณหลวงตาพ้อนหลวงตาให้เราม า, มากมาหม่ข่าวนี้เป็นข่าวที่จะตอบแทนพระคุณของท่านมีเท่าไหร่ เราจะทุ่มทั้งหมดนอ่ในใจของเราเราคิดถึงขนาดนั้นนะแต่มาถึงจุดนี้กว่าเถอดนะอเจดี JD ของหลวงตาพิพิธภัณฑ์ของหลวงตาที่จะเกิดขึ้นนอมันมีอย่างไงมันขาดเรืออย่างไงในวัดของเรานะเราก็พร้อมที่จะอปล่อยออกไปอีกเหมือนกันเพราะอะไรเราทําเพื่อบูชาประคุณของท่านท่านให้ให้ท่านท่านให้เรามามาแล้วะมากมาย แเราจะทำเพมขาดเหลือขาดตกแบบที่ไม่ใช่ใจไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นนั่นแหละสิ่งเหล่านี้ทั้งหลายทั้งปวงนะลูกน้องบริวารลูกศิษย์ลูกหาของหลวงพ่อที่นั่งฟังทั้งหมดเ่ยให้ฟังเอาไว้นี่นะคือแนวความคิดของหลวงพ่อนะหลวงพ่อไม่ได้คิดว่าเพื่อจะเอามาใส่ของตัวเองเราบูชาพระคุณของพ่อ มากอแต่ทีนยังไงหลวงพ่อมั่นใจว่าอันนี้สงฆ์ทั้งหลายทั้งปวงที่เราทําไปแล้วนะั้มันไม่ไปไหนหรอกอในเมื่อพ่อของเรามีกิตทีศัพท์ชื่อเสียงอลูกจะไปที่ไหนอลูกก็ต้องเดินตามพ่อทางว่าพ่อของเราเสียหายออไม่มีใครจะเชิดชูบูชา ลูกจะเด่นดังหาะะได้ยากพอันนั้นเมื่อพ่อบุบีของพ่อก็ต้องทำเรื่องติเลกตาไปต้องพิคิดถึงแต่ถึงยังไงเราต้องทำดีถึงพ่อจะดีขนาดไหนก็เถอะถ้าตัวเราตัวเองทำเร็วมันจะดีได้ยังไงในเมื่อพ่อทำดีเป็นตัวอย่างเราก็ต้องพยายามทำดีตามพ่อที่ท่านพาดำเนินอย่างไร ท่านสงเคราะห์อนุเคราะห์อย่างไรท่านช่วยเหลือชุมชนประเทศชาติอย่างไรถึงเราจะไม่ทำถึงขนาดนั้นเราก็ต้องมองดู อ, อ, อันนี้คือแนวความคิดของพ่อพาผักพ า, า, าดำเนินพ่อแม่ครูบาอาจารย์พาดำเนินแต่บางแหง่งบางวัดท่านบอกว่าปัจจัยของวัดที่ได้มาคือเป็นปันจจัยของสงเอาไปใช้อย่างอื่นไม่ได้ไปสงเคราะห์ องค์เคาะผู้อื่นได้ยังไงเพราะเป็นปัจจัยของสงฆ์สังฆสาโอโนชา ย, ยามะสงฆ์ต้องเป็นใหญ่สงฆ์ต้องเอาไปต้องไปชุมกันต้องเอามาใช้ในวัดเท่านั้นเอาไปใช้สงฆ์เคาะคนอื่นไม่ได้อันนี้หลวงพ่อก็ได้ยินมาแต่หลวงพ่อก็ไปศึกษาองค์หลวงตาหลวงตาบอกว่าเราได้เกินเราได้ปัจจัยเหล่านั้นได้มาจากใครได้มาจากพี่น้องประชาชนใช่ เขาให้กับสง์ก็จริงอยู่เราเป็นสงเป็นวัดแต่เมื่อสงสงเพียงพอแล้วพอเป็นไปได้แล้วเราจะสงเคราะห์คืนเขาไม่ได้เหรอเมื่อเขามีความจำเป็นโรงรรีโรงพยาบาลเลื่อกเครื่องสงเคราะห์ส่วนอื่นที่มันเกิดประโยชน์ต่อสาธารณะเราให้คืนเขาไม่ได้เหรอก็ถ้าหาว่าให้เขาคืนไม่ได้มีแต่รับอย่างเดียว แสดงว่าสงเห็นแก่ตัวสงเห็นแก่ตัวมีต่รับได้อย่างเดียวสงคืนเขาไม่ได้สงก็ไม่ควรจะมาอยู่กับมวลมนุษย์เขาเพราะวงตัวเองเห็นแก่ตัวรับได้อย่างเดียวสงคืนเขาไม่ได้ไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นเราไม่เห็นด้วยที่จะทำอย่างนั้นในเมื่อเราเพียงพอที่จะเป็นไปได้เราก็ควรจะสงเคราะห์อนุเคราะห์คืนช่วยสงเคราะห์เขาเมื่อเขามีความจาเป็น โรงเรียนโรงพยาบาลเครื่องมือแพทย์อย่างนี้เป็นตน้นคือสาธารณะในเมื่อปัดวาศาสานาอยู่ได้ประชาชนก็ต้องอยู่ได้ประชาชนอยู่ได้พุทธศาสานาต้องอยู่ได้พึ่งพาอาศัยกันเราจะไปเห็นแก่ตัวอย่างเดียวเราไม่เห็นด้วยอันนี้เราก็ศึกษากับองค์หลวงตาเราก็เห็นด้วยกับองค์หลวงตาเพราะนั้นหลวงพ่อจึงได้ประกาศออกไป จะช่วยเครื่องมือแพทย์นะข่าวนี่นะโรงเรียนนะเท่านี้นะนี่แหละเมื่อวานกับคณะแพทย์ก็เข้ามาหลวงพ่อก็ได้ตกลงไปแล้วนะันอีกไม่นานหลวงพ่อก็คงจะให้เครื่องมือแพทย์คงจะได้ประกาศอีกที่หนึ่งอีกเหมือนกันเพรนั้นพวกเราพระเนรลูกหลานทุกคนนะเขาเรามาอยู่จุดนี้หลวงตามหาบัวท่านว่า เราไปตั้งสมภารไปแต่งตั้งสมภารสมภารวัดนะเป็นใครล่ะองนั้นองนี้กับผมมันเป็นเรื่องบะล่ะถ้าสมภารขี้เหนียวนะมันไม่กว้างขวางนะเข้าใจไหมถ้าสมภารไม่กว้างถ้าสมภารไม่มีการเฉลือเผือแผ่สมภารไม่ไม่มีการสงเคราะห์อนุเคราะห์คนอื่นนะอย่าให้เป็นสมภาร น, นะถ้าเป็นสมภารไม่ได้นะ เออมันขี้ตะนีทีเหนียวเน่ะมันอยู่ในกรอบอยู่ในกรอบมันไม่กว้างขวางนะสมภารน่ยผู้เป็นหัวหน้าเนี่ยต้องกว้างขวางต้องเสียสละนะต้องรู้จักแบ่งปันนั่นแหละผู้ที่จะเป็นหัวหน้าที่จะเป็นสมภารเ น, นี่ยนี่แหละหลวงตาเนี่ยขี้ตำหนิอย่างมากไอ้คนขี้ตนีทีเหนียวนะคนเห็นแก่ตัวนะได้มาเท่าไหร่ไม่รู้จักแบ่งปันหลวงตาเห็นหลวงตาตําหนิ แต่ว่าได้มาเลยกันในหมู่ในคณะของตัวเองใช้ลุยช่วยแชก์ชุวยสุ้ไล่ลในกลุ่มในหมู่ในคณะที่จะให้นอกกลุ่มของตนเองนะเออไม่ให้ไม่ให้ใครนอกจากกลุ่มอันนั้นก็ใช้ไม่ได้อีกเหมือนกันแปลว่าไม่กว้างขวางไม่กว้างขวางต้องก้างกว้างขวางแล้วต้องหมู่มองดูเหตุผลในการสงเคราะห์อนุเคราะห์นี่แหละอันนี้ก็คือแนวแนวความคิดขององค์หลวงตาที่หลวงพ่อข้อใด เข้าไปศึกษานะที่ข่านเข้ามาในวัดของหลวงพ่อก็เหมือนกันเข้ามาในปท่านสอนหมดนะอะตั้งแต่ท่านซื้อรถให้หลวงพ่อออามาซื้อรถให้หลวงพ่อให้วัดป่านาคำน้อย เ, อเพื่อจะไปเอามาทำไม้ั่นหมูป่ามันเยอะใช่ไหมเราก็จะจ้างรถเข้ามาส่งมามาขนให้หมูนะ อาทิตย์ละตันสองตันตันหนึ่งคือกิโลละห้าสิบสตังค์ใช่ไหมละ่สะสมัยนั้นมันจำปลังเปๆจะไม่ถึงชาห้าสิบสตังค์จะอีกเมื่อเราได้มาแล้วก็ขนไปให้หมูกิ น, นแต่ทันก็าเวลาขนเอารถอะไรขนละ่ะรถชาวบ้านครับผมเออเอาถ้าอย่างนั้นเราจะให้รถชักคันนะแต่อย่าไปพูดให้ใครฟังนะลงตานะ อย่าไปพูดให้ใครฟังนะ่ะลงุลงตาจุตินิโรภ า, านไปแล้วหลวงพ่อจะมาพูดให้ลูกหลานฟังบ้านี้แหละอถ้าลุงตายังอยู่หลวงพ่อคงไม่พูดนะลูกหลานนะออันนี้หลวงตาเล่าเลาหลวงพ่อพูดเล่าให้ฟังนะแต่เนีนพอเสร็จแล้วเนะ่ยเราก็ไปหาท่านพอหาท่านท่านก็บอกว่าเฮ้ยน้อยท่านน้อ ย, เ, อยเราไปเห็นรถไอได้หัดสูตมักกั๊ตีนะผนว่าเอารถคันนั้นล่ะ เออเอารถแบบไดฮัดสุนะ่ะสี่ล้อน่ะ่าแกะมันอให้ทําอินนะคนหน่งแต่หลวงพ่อก็เข้าไปท่านน้อยก็บอกว่าท่านอาจารย์พ่อแม่ครูจารย์บอกว่าเอารถรถไดฮัดสุนะสี่ล้อมักกันะ๊กเนี่ขนมันขนมันมาให้หมูเลยโอยน้อยไปทาก็กว่าได้รถคันนั้นอ่นนะไดฮัตสุไปอยู่เน็ตสวนมันของเขาไม่รวดหลุมไหนตัวบอ่อไหน พอใส่มันเข้าไปเลยตายแล้วผมทีนี้เอาพระไปเป็นสิบองไปขันเข็นรถขันนั้นออกมาโอ้ทําได้ยังไงไม่ได้นะ่ะนอยสมนะัยนั้นยังไม่มีโฟวินนะโฟวินยังไม่มีเออเอาเถอะผมจะเอารถ닛สันตอนเดียวนั่นแหละวะสี่ประตูก็ยังไม่มีสมันนะเอามีรถตอนเดียวผมจะเอานิตสันมาเออตอนเดียวน่ะกาเรียนพ่อแม่กุญแจด้วยฮ เอาอย่างนั้นเลยท่านอาจารย์ครับผมจะเอารถนิสันเดี๋ยวออกไปวันนี้ออกไปนี่ไปเอาเลยเล่ะไอ้ท่านกาบเรี้ยนพ่อแม่ครูอาจารย์ได้ขับ <c oughs> <c oughs> เราออกมาเราก็เอารถเนี่ยแหละรถนิสันเอสีเขียวใบไม้แหล่านัา้นละตอนเดียวนะออกมาจากเมืองอุดรสุดแท้จากนั้นแต่ท่านน้อยก็ไปจ่ายเงินนะว่าจ่ายเงินเสร็จแล้วท่านก็มาเดี่ะ รถเป็นชื่อของใครล่ะอย่าไปเอาชื่อวัดไปนะอย่าไปเอาชื่อวัดใส่นะอย่าไปเอาชื่อตัวเองใส่นะถ้ามันมีปัญหาเกิดขึ้นมันปัญหานะ เ, าเดี๋ยวมันพัวพันมาถึงวัดพัวพันมาถึงตัวเองจาไว้นะเรื่องรถอย่าไปให้มีชื่อเป็นชื่อวัดชื่อของตนเองเข้าใจไหมขับผมเพราะนั้นหลวงพ่อเองมีรถตั้งแต่รถเข็นตั้งแต่รถ ขนอาหารไม่มีชื่อของวัดป่านาคำน้อยเลยว่างั้นเอทุกระดับที่หลวงพ่อได้มามีแต่ชื่อคนอื่นทางั้งเนี่ยหลวงพ่อฟังศึกษาจากองค์หลวงตามันจริงอย่างที่ท่านพูดเพราะนั้นวัดอื่นๆก็จะต้องมีชื่อว่ารถวัดป่านาคำน้อยรถวัดนั้นวัดนี่ทูเจ้าเคยเห็นไหมติดข้างรถว่ารถป่านาวัดป่านาคาน้อยเราใช้รถมาเป็นรถเท่าไหร่ ทั้งไปลูาเท่าไหร่ไม่ลูกกี่ยี่ห้อไหนเพราะอะไรเนี่ยนหะลวงตาสั่งหลวงพ่อนะอย่าให้มีชื่อตัวเองนะอย่าให้มีชื่อวัดนะลถนะให้ให้โยมที่ไว้ใจศรัทธายาโยมที่ไว้เนื้อเชื่อใจให้เขาเป็นเจ้าของเราเป็นผู้ใช้เท่านั้นเนี่ให้ฟังเอาไว้นะพระเนลูกหลานนะหลวงพ่อพูดทางนี้ให้ทางนั้นให้ฟังเนะลยหลวงพ่อได้รับ แนวนะโยบายมาจากวงหลวงตานะหลวงพ่อไม่ได้พูดให้เสาสลาฟฟังนะพูดให้พระทุกองนะที่อยู่เอามาศึกษาทั้ง 3-40 สนะี่สิบงะให้ฟังเอาไว้นะหรือถึงจะอยู่นอกวัดก็เถอะให้ฟังเอาไว้นะนี่แหละหลวงพ่อฟังจากวงหลวงตาอย่างไรหลวงพ่อมีเหตุผลนะหลวงพ่อจึงปฏิบัติการปฏิบัติเรื่องจิตตุปปัจจัยยังไงหลวงตาสอนหมดนะเทคนิคนะ เพราะนั้นหลวงพ่อได้รับธรรมคำสอนจากองค์หลวงตาทนะ่านจะว่าไปมากมายเพรอะไรเพราะหลวงตาในะยุคนั้นชุดนั้นนะท่านก็อายุเพียงหกสิบกว่าเจ็ดสิบท่านเองในหลวงในขณะที่หลวงพ่อเข้าอยู่แต่พอมาช่วงหลังๆนะท่านอายุมากแล้วนะท่านปล่อยท่านปล่อยวางมากแล้วนะบางองค์มายึดปฏิปทาในช่วงที่ท่านปล่อยวางมากแล้วนะ อ, อ, อันนี้ก็ได้ พกกลุ่มนั้นก็ได้ชุดหนึ่งแต่หลวงพ่อนได้ช่วงขนาดที่ท่านยังเฟี้ยวอยู่กันแต่ไม่จูงศอกไปวอกเขาไม่รู้อ ว, ว่าตะพอไม่รู้ว่าสันหน้าแข่งมาเาไปหลวงพ่ออยู่ในยุคนั้นมาเราไปเพราะนั้นหลวงพ่อจึงยังรักเขารบในองค์หลวงตาในในวปฏิปทาของท่านหลวงตานี่ยสรุปแล้วโอ้อหถ้าเป็นแก้วนี่แก้วตามแมวเนาะกลิ่นในทุกอย่าง หมุนไปหมุนมาแต่พวกเราท่านท่านหลายเนี่เป็นไม้แปดเหลี่ยมไม้สองเหลี่ยมสี่เหลี่ยมกว่าจะเพล็กได้ต่ํากว่าจะใช้แรงอีกพลิกอีกต่ําแต่หลวงตาเนี่ยเกร็งไปเกร็งมาเกร็งมาเก้็งไ ป, งงงไปเผียรมากจติตปัญญาของท่านเนี่เพรานั้นหลวงพ่อจึงอึงที่หลวงพ่อได้พบกับครูบาอาจารย์มามากต่อมากหลวงพ่อจึงยอมรับว่าอง์หลวงตาเนเป็นผู้มีปัญญา เฉลียวฉลาดรอบขอบหาได้ยากทีใ่ในสายตาของหลวงพอ่อเพราะนั้นหลวงพ่อจึงบอกเก่าให้ลูกหลานได้ยินได้ฟังนะลูกหลานทุกคนนะฟังเอาไว้นะหลวงพ่อจะพูดเวอรกันไปแต่ในใจของหลวงพอนะ่อความรักเคารพในความเชื่อมั่นในสติปัญญาของหลวงตาเนะี่ยท่วมทนในหัวใจของหลวงพอ่อหลวงพ่อจึงพูดให้ฟังเป็นระยะระยะนะแนวความคิดนะ ต่อีปไปพระสงฆ์อนุโมทนาให้พรนะพรนะ